วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้ในเบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงให้ถือเสนาสนะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงให้ถือเสนาสนะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงให้ถือเสนาสนะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงให้ถือเสนาสนะแล้ว สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้